กองอาบัตห้ในหัวข้อเหล่านั้นกองอาบัตห5เป็นฉไนคือ 1. กองอาบัตปาราชิก 2. กองอาบัตสังคาทิเศษสากองอาบัตปาจิตตีสี 4. กองอาบัตปาติเทสนียะ5กองอาบัตทุกกฏนี้คือกองอาบัตห5กอง